เราไม่ใช่เป็นคนตรณีเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แต่เราเป็นคนเสียสละเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเราเป็นผู้มีปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมถ้าหากว่าเราถึงพร้อมด้วยคุณธรรมทั้งห้าประการนี้แล้วก็เท่ากับ ว, ว่าเราก็มีคุณธรรมนี้เทียมเท่ากับเทวดาเหมือนกันแม้ว่าเราจะเป็นมนุษย์เดินดินอย่างนี้แต่ถ้าเรามีคุณธรรมอย่างนี้ เราก็เป็นเทวดาเป็นเทวดาในโลกมนุษย์เป็นเทวดาในร่างมนุษย์นี้ได้เช่นเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกท่านมีโอกาสเป็นเทวดาได้โดยการทุกคนทางนั้นทางด้านคุณธรรมถ้าหากว่าเราถึงพร้อมด้วยธรรมะทั้งห้าข้อนี้แล้วเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นเทวดาได้เหมือนกันเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเรื่องของการเป็นเทวดานั้นเป็นไม่ยาก เราเป็นกันได้ง่ายเทวดาทุกรูปที่เกิดขึ้นบนเทวภูมินั้นก็เป็นผู้ที่ประกอบภูสุลกรรมเช่นนี้มาก่อนแล้วจึงได้เกิดบนเทวโลกฉะนั้นการที่เราจะนึกถึงเทวดานั้นให้นึกถึงคุณธรรมของเทวดาก็คือนึกถึงศรัทธานึกถึงศีลสุตะจาระคปัญญาเนี่ยของเทวดาแต่ละองค์ไม่ใช่ไปนึกถึงตัวเทวดาแต่ให้นึกถึงคุณธรรมของเทวดานั้น นี่เป็นเป็นวิธีที่เราจะระลึกถึงว่าระลึกถึงอย่างไรก็คือให้ระลึกถึงอย่างนี้เป็นพยานในด้านของความดีอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่นึกถึงเทวดาโดยถูกต้องไม่ใช่นึกถึงในทางอื่นที่ผิดๆในเทวตาลุสตินี้ท่านได้ย้ำถึงเรื่องนี้ คงจะเกรงว่าคุรบุตรในสมัยหลังนี้จะเข้าใจในเรื่องของเทวดาเนี่ยผิดพลาดไปก็ได้เพราะว่าเวลานี้มีหลายท่านเด็กกันมาเล่าให้ฟังว่าพอเย็นๆเลิกงานก็ไปคุยกับเทวดาตมาเขาบอกว่าไปคุยกับเทวดาที่ไหนล่ะบอกไปสำนักโนนสำนักนี้เดี๋ยว สัมนักโน้นเขาก็ทรงสัมนักนี้ก็เข้าทรงการเที่ยไปหาที่นน้นทรงที่นี่ทรงเนี่ยเรียกว่าไปคุยกับเทวดาสมาบอกก็ดีเหมือนกันอนะไม่มีเรื่องดีเพราะว่าถ้าคุยกับมนุษย์แล้วเรื่องมันมากถ้าคุยกับเทวดาเสีได้กับเรื่องมันก็ไม่คยมีเท่าไรนักทั้งบางทีเทวดาบางวันท่านใจดีท่านอาจจะบอกโชคบอกลาบอะไรให้ก็ได้ เพาะหลายท่านก็ใช้เวลาว่างไปคุยกับเทวดาบางทีก็ขอร้องให้เทวดาช่วยช่วยขายที่ให้บ้างช่วยฝากงานให้บ้างช่วยให้สอบไร่ได้บ้างช่วยให้เลื่อนตำแหน่งบ้างเทวดาท่านก็รับเพราะส่วนมากไปขอร้องเทวดาแล้วก็มักจะไม่ผิดหวังต่รับทั้งนั้นแหละจะขอให้ท่านช่วยอะไรท่านช่วยทั้งนั้นแต่ว่า ท่านจะช่วยได้หมดทุกคนหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ปรากฏว่าหลายๆท่านก็เรื่อมใสละแม้แต่เจ็บป่วยเวลานี้เราก็ไม่ค่อยจะพึ่งแพทย์กันเท่าไรแล้วป่วยป่วยหนกันกๆเข้าก็ไปให้เทวดารักษาท่านก็รักษาให้เรามีหลายๆท่านโดยการเวลาป่วยขึ้นมาก็ไปให้เทวดาช่วยรักษาก็มีหายบ้างไม่หายบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ไม่เสียหายอะไร เพราะในเมื่อมนุษย์ในกันเองช่วยไม่ได้เราก็ต้องพึ่งเทวดาเป็นของธรรมดาแต่ว่าจะพึ่งได้มากน้อยเพียงใดนั้นก็อยู่ที่เทวดานั้นจะมาจริงหรือไม่จริงตมาว่าก็ดีเหมือนกันเพราะตมาเองก็รู้จักเทวดาหลายองค์เพราะว่าแต่ก่อนนี้ว่างๆก็ชอบไปคุยกับเทวดามิ่งกันชอบไปหาองค์โน้นองค์นี้ตมาไปเรื่อยส่วนมากเทวดารู้จักอัตมาหลายองค์ โยมโยมไปกระถามบอกรู้จักท่านกิติไหมเทวดารู้จักเพราะว่าอาตมาคุ้นกันหลายท่านแต่ไม่เคยไปรบกวนเทวดาไม่เคยไปแจกลิกาเทวดาหรอกไปก็ไปคุยกันสนุกสนุกแล้วก็มีมีอยู่หลายสำนักเวลานี้ห ล, หลายท่านด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องมนุษย์กับเทวดาเนี่ยเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ได้ แล้วก็หลายๆท่านก็มีความเคารพในเทวดาอยู่ไม่เสียหายอะไรหรอกบางทีก็เคารพพระพรหมพรหมนั่นพรหมนี่มาสรงก็มีแต่ว่านักเรียนธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็คงจะทราบว่าพรหมจะมาจริงหรือไม่จริงใช่พรหมหรือไม่ใช่เนี่ยก็วินิจฉัยได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษานั่นก็อาจจะคิดว่าเขาว่าพรหมเราก็ว่าพรหมเข ว, ว่าเทพเราก็ว่าเทพ ก็ไหว้กับกรากันไปช่วยได้แยะเพราะว่าท่านเหล่านี้ตมาสังเกตดูแล้วแต่ละท่านที่เข้ามาทรงนี่ดูมันจะทำประโยชน์มากมากกว่าที่จะเป็นโทษกับมนุษย์เพราะว่าเทวดามาเที่ยวโลกมนุษย์นี้ก็จะต้องมาสงเคราะห์โลกมนุษย์เท่านั้นถ้าไม่ใช่เป็นผู้เสียสละจริงๆท่านไม่มาหรอก เพราะว่าโลกมนุษย์กับโลกเทวดาเนี่ยห่างไกลกันเลอกเกินในพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้ว่าเวลาเทวดามาหามนุษย์เนี่ยเทวดาจะยืนเหนือลมมนุษย์ยืนใต้ลมถามว่าทำไมต้องยืนเหนือลมบอกว่า ร, ร่างกายของมนุษย์เนี่ยเหม็นเลอกเกินเทวดายืนเหนือลมบอกถ้ายืนใต้ลมก็คุยกันไม่นานนะเดี๋ยวเทวดาก็าลากลับ งั้นเวลาท่านทั้งหลายไปเป้าเทวดาตอนเข้าสง่งท่านสังเกตดูว่าเทวดานั่งเหนือลมหรือว่าใต้ลมถ้านั่งใต้ลมแล้วก็อันนั้นไม่ใช่เทวดาแท้เทวดาแทต้องนั่งเหนือลมแล้วก็มนุษย์อยู่ใต้ลมเพราะโดยปกติแล้วร่างของมนุษย์กับร่างของเทวดาเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าร่างของมนุษย์นั้นเป็นเป็นขันห้าเหมือนกันตามหลักอภิธรรมปิก เทวดาก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ต่างกันแต่ว่าปัจจัยที่จะให้ขันห้าดํารงอยู่นี้ของมนุษย์กับของเทวดานั้นไม่เหมือนกันเทวดาเนี่ยดํารงอยู่ได้ด้วยอาศัยอาหารที่เป็นทิพย์ทุกอย่างเป็นทิพย์ทั้งหมดแล้วก็บนเทวโลกเนี่ยเมื่อรูปเป็นทิพย์รูปนี้ประณีตละเอียดรูปนี้ก็ไม่เป็นรังของโรค เพราะฉะนั้นบนเทวดาเนี่ยจึงไม่มีโรงพยาบาลเพราะว่าเทวดาไม่เป็นโรคมะเร็งเทวดาไม่เป็นโรคลำไส้เทวดาไม่เป็นโรคประสาทเทวดาไม่เป็นโรคอะไรต่โรคอะไรเนี่ยเทวดาไม่เป็นไม่มีโรคที่จะไปเบียดเบียนเทวดาเพราะว่าเทวดานั้นมีรูปเป็นทิพย์โรงพยาบาลบนเทวโลกจึงไม่มีและผู้ที่เกิดเป็นเทวดานี้ทุกอย่างเป็นทิพย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนจน ที่นักสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายจะต้องเอาเสื้อผ้าไปแจกก็ไม่มีอีกใครจะไปสงเคราะห์เทวดาไม่ได้เทวดาทุกคนรวยทั้งนั้นมีเงินมีทองพึ่งตัวเองได้ทั้งนั้นน่ะใครจะไปสงเคราะห์อะไรไม่ได้ทั้งหมดความเป็นอยู่ของเทวดากับมนุษย์เนี่ยต่างกันท่านบอกว่าเทวดาถ้าก็เป็นเทพบุตรนี้ก็จะอยู่ในฐานะที่ เป็นหนุ่มตลอดเวลาไม่มีชลาคือความแก่ที่น่าเกลียดเหมือนมนุษย์เนี่ยปรากฏให้เห็นถ้าเป็นเท พ, พธิดาก็จะเป็นสาวสวยตลอดเวลาไม่มีแก่คือไม่แก่เหมือนมนุษย์ชลานะ่ะเป็นแก่แบบเทวดาแก่แบบเทวดากับแก่แบบมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันอย่างมนุษย์แก่นี่ผมหงอกหนังเหี่ยวฟันหักหลังโกง นี่เป็นความแก่ของมนุษย์กําลังวังชาถดถอยแต่ความแก่ของเทวดาไม่เป็นอย่างนี้เทวดาไม่มีผมไม่งอหนังไม่เหี่ยวหลังไม่โกงกําลังไม่ถดถอยตาไม่ฟ้าฟางหูไม่ตึงเพราะฉะนั้นเทวดาเนี่ยจึงมีแต่รูปที่น่ารื่นรมทั้งนั้นความเป็นอยู่ของเทวดาเนี่ยจึงต่างจากมนุษย์การกินอาหารน้ำเทวดาก็บริโภคอาหารที่เป็นทิพ เพราะฉะนั้นบนเทวโลกนี้จึงเต็มเปเร้วความสะอาดแต่ว่าในโลกมนุษย์ไม่อย่างนั้นอาหารของมนุษย์เป็นอาหารหยาบเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์เนี่ยจึงสกปรกมากท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเราสร้างบ้านที่ไหนเราก็ต้องสร้างสุวมที่นั่นคู่กันทิ้งไม่ได้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าอาหารในโลกมนุษย์เนี่ยหยาบ ก, กว่าบนเทวโลกทั้งรูปร่างกายของมนุษย์นี้ก็หยาบ หยาบกว่าเทวดาเพราะเหตุที่เราต้องรับทานอาหารหยาบเราจึงต้องมีกระเพาะอาหารมีลําไส้มีอะไรต่อมิอะไรไม่รู้เครื่องในเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยเป็นเครื่องย่อยอาหารที่จะให้ชีวิตเนี่ยดารงอยู่เพราะฉะนั้นในร่างกายของมนุษย์เนี่ยจึงเต็มไปด้วยของที่ไม่สะอาดเทวดาเวลามาเฝ้าเวลาจะลงมาโลกมนุษย์นี่ต้องอยู่เหนือลมท่านยกตัวอย่างว่า มนุษย์เหม็นสาบควายเหม็นกลิ่นสุนัขเน่าอย่างไรเทวดาก็เหม็นมนุษย์อย่างนั้นเหมือนกันเหม็นสาบมนุษย์เหมือนกับมนุษย์เหม็นสาบควายนั่นแหละนะดอกเหมือนๆกันแต่ว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์ต่อมนุษย์เด็กกันเองเนี่ยเราไม่รู้สึกหรอกว่าเราเนี่ยเหม็นสาบแต่เทวดาเนี่ยจะรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเหม็นสาบเพราะว่าจมูกของมนุษย์กับจมูกของเทวดานั้นไม่เหมือนกัน เทวดาก็มีจมูกเป็นทิฟมนุษย์ก็มีจมูกห ย, ยาบๆคานะประสาทก็หยาบอย่างนี้เทวดามีคานะประสาทเหมือนกันแต่ว่าประณีดกลิ่นที่ได้ก็ส่วนมากเป็นกลิ่นที่หอมหวนเป็นกลิ่นที่ดีเพราะฉะนั้นในวรรณคดีที่เราได้เรียนเรียนกันเนี่ยเวลาพารนาถึงภาคพื้นสวรรค์แล้วเราจะรู้สึกว่าแมมหน้าตายเร็วๆจะได้ไปเกิดบนภาคพื้นอันนั้น เช่นอย่างเราสมัยที่เราเรียนวรรณคดีเรื่องการมณิทวาสิทธิแล้วก็อยากจะตายจากนุษย์ไวไวจะได้ไปเกิดบนเทวโลกยิ่งในอัตรกรถาท่านพารรนาไว้ถึงสวนนันทวันสวนเวรุวัน้วยแล้วบนชั้นดาวดนึงก็ยิ่งหน้าไปเกิดใหญ่เพราะว่ารื่นลมมากสวนมิศกวันสวนอัมพรสวนจิตระด า, าพัลนาไวสวยสดงดงาม นี่เป็นเรื่องสวนบนเทวโลกทั้งนั้นปัจจุบันนี้เราก็เอามาเป็นสวนในโลกมนุษย์อย่างสวนวิศกวันสวนอัมพรสวนจิตดาสวนสุนันทาเนี่ยเป็นสวนเป็นชื่อสวนบนดาวบดึงทั้นั้นเลยเราเรามาตั้งในโลกมนุษย์นี้ซึ่งแต่ละสวนนี้ท่านพละนาไว้ว่าน่าอยู่น่ารื่นรมสวนบางสวนเช่นสวนนันทวันเนี่ยถ้าเทวดา จะเป็นเทพบุตรหรือนางฟ้าตนใดมีความทุกข์เข้าไปในสวนนี้แล้วก็หายทุกทันทีเช่นอย่างเทวดาบางคนแกอกหักไปขอความรักนางฟ้านางฟ้าก็ไม่ยอมรักเทพธิดาไม่ไม่ยอมรักด้วยแกก็ไปนั่งเข้าไปในสวนนันทวันพอไปอยู่ในสวนนันทวันแล้วจะลืมความทุกข์ความเศร้าโศกนี้หมดอย่างนี้ท่านพรนานัรน า, าไว้เนี่ยตักถะทาไว้ละเอียดเพราะฉะนั้น เรื่องบนเทวโลกกับมนุษย์นี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันแล้วก็ทําให้สงสัยเทวดาทั้งหลายที่ประทับทรงกันอยู่ในโลกมนุษย์ในปัจจุบันว่ามานั่งทนเหม็นมนุษย์อยู่ได้ยังไงนะเป็นวันวันคือมาประทับทีก็สิบสองชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยถึงจะออกจากทรงก็ยังสงสัยว่าไม่เหม็นสาบมนุษย์บ้างหรือทั้งร่างของมนุษย์ที่มาประทับนั้นก็ไม่ใช่เป็นร่างที่สะอาด เพราะฉะนั้นถ้าเราทราบฐานะอย่างนี้แล้วก็พอจะตัดสินได้แล้วว่าเทวดาที่มาทรงนั้นน่ะมีส่วนในความจริงมากน้อยเพียงใดเพราะว่าเรื่องของเหตุผลน่ะเป็นอย่างนี้เรื่องของหลักวิชาก็ว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าความจริงที่มาทรงกันนั้นน่ะมีส่วนในความจริงอย่างไรเราก็วิฉัยกันได้แต่ได้พูดอยู่เทวดาภูมิหนึ่ง คือเทวดาชั้นจาตุมหาราชเนี่ยกับมนุษย์เนี่ยมีฐานะคล้ายคลยึงกันความเป็นอยู่คล้ายๆกันชั้นจาตุมหาราชนี้เป็นเป็นชั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์เนี่ยมากที่สุดอย่างสามพระภูมินี่เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชเป็นภูมมะเทวดาก็มีส่วนใกล้ชิดกับมนุษย์เพราะฉะนั้นทุกสุขอะไรเนี่ยก็ช่วยกันได้ ถ้าอยู่ไกลามากถึงดาวพฤหงษ์นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นระยะทางไกลสักหน่อยการไปการมาอะไรก็คงจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไรนักหรอกเพราะว่าจากดาวพฤหงษ์หรือยามาดุสิตมาโลกมนุษย์นี้ก็ห่างไกลกันมากด้า น, นเรื่องการเข้าทรงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สาวุชนทั้งหลายพอที่จะวินิจฉัยด้วยตนเองได้ว่าเราควรจะเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ที่เชิญเจ้าพ่อนั้นเจ้าพอนี้มาส่งเนี่ยก็พอที่จะวินิจฉัยได้แล้วว่าควรที่จะเชื่อถือได้ไหมถ้าว่าควรแก่การเชื่อถือได้ก็ไปเยี่ยมท่านบา่อยๆถ้าจับโกหกได้ก็อย่าไปก็ๆๆแล้วกันเพราะว่ามีเมื่อไงบางทีก็เทวดากโกหกก็มีไม่จริงก็มีที่จริงก็มีมีหลายอย่างอย่างเวลานี้ มีทรงเจ้าพอ่อหลายเจ้าพอ่อสมเด็จพุท ธ, ธาจารย์ท่านมาเข้าทรงตั้งหลายสิบร่างในเวลาเนี่ยร่างโน้นก็ทรงสมเด็จร่างนี้ก็ทรงสมเด็จเลยไม่รู้ว่าสมเด็จท่านแบ่งธาตุเลยแบ่งตัวท่านเองเนี่ยเป็นกี่องค์ก็ไม่ทราบไปเข้าทรงที่โน้นที่นี่แล้วก็บางทีก็นึกสงสารสมเด็จท่านบอกแม้ตายไปแล้วเป็นเทวดาก็ยังไม่ว่างมนุษย์ก็ยังไปเชิญนํามาใช้เลยแถนที่จะไปเสวยความสุข ยังจะต้องมานั่งทรงปวดปวดเมื่อยเมื่อยอยู่ทั้งวันทั้งวันอีกแย่ yeah. เพียงแค่เป็นสมภารรับแขกนี่สมากวก็แย่แล้วยิ่งเป็นเทวดามาเข้าทรงเลยยิ่งแย่หนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก็ให้วินิจฉัยเอาการที่เราจะนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์นี่ท่านให้นึกถึงในฐานนะเป็นพยาน เป็นพยานในที่นี้ก็คือเป็นพยานในในคุณธรรมว่าเทวดานั้นมีคุณธรรมอะไรจึงเกิดเป็นเทวดาและเรามีคุณธรรมเช่นนั้นหรือไม่ถ้าหากว่าเรามีคุณธรรมเช่นนั้นแล้วเทวดากับคุณธรรมนั้นเสมอกันก็แสดงให้เห็นว่าเรากับเทวดานั้นก็เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันในด้านของคุณธรรมต่างกันแต่ว่าเราเป็นมนุษย์ เทวดาเป็นเทวดาเท่านั้นต่างกันที่ขันห้าแต่จะไม่ต่างกันในด้านธรรมะหรือคุณธรรมเช่นเราเป็นคนมีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมตรายอย่างนี้เราเป็นคนมีศีลมีสุตตามีจากขะมีปัญญาอย่างนี้เราก็เป็นเทวดาเหมือนกันแล้วก็ไม่ด้อยไปกว่าเทวดาที่มีอยู่ทั่ ว, วไปในภพภูมิต่าง เพาะฉ น, นเทวดานุสติเนี่ยท่านให้เรานึกถึงในลักษณะดังกล่าวนี้ในมหานามสูตรนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องนี้เกี่ยวกับพระมหานามได้ตรัสแก่พระมหานามว่าดูก่อนมหานามในสมัยใดอริยสาวกนึกถึงสัทธา ศีลสุตตะจาคัปปัญญาของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของพระอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกรุ่มๆเนี่ยได้ตรัดไว้ในมหานามสูตรได้ตลัดแก่พระมหานามว่าถ้าหากว่าอริยสาวกนึกถึงเทวดา ในฐานะที่เป็นผู้มีศรัทธาศินสุตจากขะปัญญาแล้วในสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นจะไม่ถูกราคะเป็นต้นกรุ่มรุมจะไม่ถูกโทสะกรุ่มรุมจะไม่ถูกโมหะกรุ่มรุมนี่เชีย้ยเห็นถึงผลแห่งการปฏิบัติว่าเมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะต้องได้รับผลอย่างนั้นฉะนั้นในเทวานุสตินี้ถ้าเราจะถามว่า ผลจากการปฏิบัติธรรมข้อนี้หรืออนุสติข้อเนี้จะได้อะไรบ้างก็คือได้ปีติปราโมทย์เรานึกถึงคุณธรรมของเทวดาแล้วก็นึกถึงคุณธรรมของตัวเราเองด้วยก็จะเกิดปีติปราโมทขึ้นเพราะฉะนั้นในหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเราเนี่ยมนุษย์ที่นึกถึงเทวดานั้นไม่ใช่นึกถึงด้วยความทะเยอทะยาน ว่าแม้เป็นมนุษย์แล้อยากจะไปเป็นเทวดาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าที่ให้นึกถึงเนี่ยนึกถึงในด้านที่เอาเทวดามาเป็นพยานแล้วเราก็ปฏิบัติเพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นเหมือนกับเทวดาเพิ่มพูนความดีไม่ใช่ไปเรียนแบบเทวดาเพราะว่ามนุษย์จะไปเรียนแบบเทวดาไม่ได้ จะไปเรียนแบบในเรื่องอื่นๆนอกจากคุณธรรมเนี่ยไม่ได้อย่างเราจะเรียนแบบว่าเราจะแต่งตัวให้เหมือนกับเทวดาก็ไม่ได้เพราะว่ารูปร่างของมนุษย์กับเทวดานั้นไม่เหมือนกันท่านทั้งหลายสังเกตดูรูปเทวดาตามนิมิตที่จิตกรได้เขียน ว, วาดไว้นะ่ะ แล้วท่านก็คิดดูว่าถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะแต่งตัวอย่างเทวดาบ้างได้ไหมไม่ได้หรอกตำรวจจับเพราะว่าเทวดาแต่งตัวไปอีกเรื่องหนึ่งมนุษย์อีกเรื่องหนึ่งเราจะไปเรียนแบบอย่างนี้ไม่ได้แต่เราพอจะเรียนได้ก็คงจะเรียนได้ในด้านของคุณธรรมเท่านั้นถ้าท่านมีคุณธรรมยังไงเราก็มีคุณธรรมอย่างนั้นเหมือนกับเทวดาเหมือนกันอย่างนี้จึงจะได้ผลแห่งการปฏิบัติ <c oughs> เพราะว่าเวลานี้โลกมนุษย์นั้นเต็มด้วยการเรียนแบบเราชอบเรียนแบบแต่ว่าบางทีเราเรียนแบบไม่ถูกมันก็ดูไม่สวยงามไม่เข้าเรื่องเข้าราวบางทีไปเรียนแบบในชางที่ที่ไม่ดีมาอย่างนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแบบที่ไม่ดีต่างๆเวลานี้เราก็ถ่ายถ่ายกันไว้แยะดูกันไว้มาก บางทีก็ไปเรียนแบบจากนางแบบบ้างไปเรียนแบบจากสาวสังคมบ้างคือนักสังคมทั้งหลายบ้างจนกระทั่งดูไม่ได้ในด้านการแต่งกายบ้างในด้านอะไรต่ออะไร <c oughs> เพียงแค่สังวานของเทวดากับสังวานของมนุษย์เนี่ยก็ต่างกันแล้ว <c oughs> เราดูลิเก ริเกแต่งตัวมีสร้อยสงวานต่างๆสมัยก่อนริเกสมัยก่อนนั่นไม่ใช่ริเกสมัยนี้พอริเกสมัยก่อนเราเป็นริเกจริงๆริเกสมัยนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นริเกแล้วสมัยก่อนริเกนมีชดามีสร้อยสงวานมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างอันนั้นเป็นศิลปะอันหนึ่งเวลานี้เราจะดูได้ก็ของกรมศิลปากรเท่านั้นที่อื่นริเกไม่เป็นริเกแล้วล่ะชดาก็ไม่ตรงใส ลิเกสมัยนี้ไม่ต้องรำเหมือนสมัยก่อนถ้าหากว่ามนุษย์เราจะเรียนแบบอย่างนั้นบ้างก็ดูไม่ได้แล้วในด้านของแต่งกายแต่เราจะเรียนแบบได้ก็ในด้านของธรรมะหรือในด้านของคุณธรรมอย่างศรัทธาเนี่ยมนุษย์บางคนมีศรัทธามั่นกว่าเทวดาเช่นอย่าง พระโสดาบันบุคคลนี้มีศรัทธามั่นกว่าเทวดาหรือพระสกะทาคาอนาคาพระอรหันเนี่ยเทวดายังต้องมากราบเทวดากราบมนุษย์นะแม่แต่พระพุทธองค์เองก็เป็นมนุษย์แต่เทวดาก็ต้องมากราบมากราบพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามาถามปัญหาข้อข้องใจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแม้เราจะเป็นมนุษย์ ถ้าหากว่าเรามีคุณธรรมสูงมีสติปัญญามากเทวดาก็ต้องอาศัยมนุษย์เหมือนกันนี่หมายถึงมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมเป็นอริยบุคคลขึ้นมามนุษย์ก็ยังมีคุณธรรมสูงกว่าเทวดาได้มีหลายครั้งที่มนุษย์ปฏิบัติธรรมและเทวดามาถามสงสัยก็มีหรือบางทีก็มาแกล้งก็มีถ้าเราศึกษาอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเราจะพบว่า พระสูตรบางสูตรเนี่ยบางทีก็พระสาวกบางทีก็ภิกษุณีซึ่งเป็นสาวิกาไปปฏิบัติธรรมและเทวดาก็มาแกล้งนอกจากมาแกล้งแล้วบางทีก็มาถามคำถามนล้วก็เป็นคำถามประเภทยุ่นยวนประเภทที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็มีมีหลายปัญหาบางคนก็ถามด้วยความไม่รู้จริงๆบางคนรู้แล้วแต่ว่าก็แกล้งถาม แสดงให้เห็นว่าภูมิของมนุษย์กับภูมิของเทวดานั้นต่างกันถ้ามนุษย์ปฏิบัติธรรมดีมนุษย์ก็มีคุณธรรมสูงกว่าในเทวตานุสตินี้ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ท่านย้ำในเรื่องนี้ไว้เพราะว่าเกรงว่าเราเนี่ยจะไม่เข้าใจฐานะของเทวดาจะไปเข้าใจว่าเทวดานั้นเป็นเป็นพระเจ้าที่จะบรรดาลความสําเร็จให้ พอนั่งปฏิบัติก็ขอให้เทวดาช่วยหรืออ้อนวอนเทวดาไม่ใช่เช่นนั้นแต่การนั่งปฏิบัติในเทวตารุสติเนี่ยเป็นการนึกถึงคุณธรรมของเทวดาเหมือนกับที่เรานึกถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าของพระสงฆ์หรือคุณธรรมของเราเองที่เราได้บริจาคทานออกไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการที่จะระลึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์นี้ เราจะต้องนึกถึงเรื่องของคุณธรรมของเทวดาเป็นที่ตั้งอย่าไปนึกถึงเรื่องอื่นเรื่องอันใดที่นอกเหนือไปจากคุณธรรมแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปนึกถึงเรานึกถึงเทวดาในฐานะที่เป็นพยานในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะแก่ตัวเราเท่านั้นเหมือนกับเรานึกถึงความดีของคนอื่นแล้วเราก็มาเพิ่มความดีให้แก่ตัวเราเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ผิด การดูถึงเทวดาว่าท่านมีคุณธรรมอย่างไรแล้วเราก็มาเพิ่มคุณธรรมอย่างนั้นในตัวเราให้เทียมเท่ากับเทวดาอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดและการปฏิบัติ น, นี้แหละเป็นการปฏิบัติตรงตามเป้าหมายของเทวตานุสตินี้เทวตานุสตินี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณธรรมแล้ว การที่เรานึกถึงเทวดาในด้านของคุณธรรมแล้วเราก็มีคุณธรรมอันนี้ยังเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเกิดปีติคือความอิ่มใจเมื่อมีความอิ่มใจแล้วก็มีความสุขเมื่อมีความสุขก็มีจิตตั้งมั่นเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วจิตนี้ก็ไม่หวั่นไหวเป็นสมาธิอย่สมาธิเกิดได้ในลักษณะอย่างนี้แต่ว่า สมาธิที่ได้จากการเจริญเทวตานุสตินี้เป็นสมาธิขั้นอุปจารสมาธิไม่ถึงอัปนาสมาธิเพราะว่าเราต้องใช้จิตนึกถึงคุณธรรมต่างๆของเทวดาเนี่ยมากกระแสจิตย่อมมีสมาธิต่ำไม่สูงจึงได้เพียงแค่อุปจารชานเท่านั้น <c oughs> ไม่ถึงอัปนาชาน ถ้าหากว่าเราเอาจิตเพ่งอย่างเพ่งกรสินหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์สมถาะาที่ไม่ต้องคิดอะไรมากอารมณ์ที่เราจะคิดนั้นก็ไม่กว้างขวางนัก <c oughs> เป็นอารมณ์หนึ่งที่คับแคบจิตก็มีสมาธิสูงเพราะว่าถ้าเราคิดอะไรมากแล้วสมาธิก็ตกถ้าคิดอะไรน้อยสมาธิก็สูง คิดอะไรเรื่องเดียวแล้วสมาธิสูงคิดหลายเรื่องสมาธิก็ต่ำนี่เป็นเรื่องของสภาวะจิตที่ที่เราปฏิบัติกันอยู่ฉะนั้นในเทวตานุสตินี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดที่มีความประสงค์จะเจริญอนุสติข้อนี้แล้วหลักปฏิบัตินั่นก็คือขอให้เราสแสวงหาที่เงียบสงด <c oughs> ที่ไม่พลุกพล่านโดยผู้คนจะเป็นเรือนลาง จะเป็นรอมฟางเป็นถ้ำเป็นโคนต้นไม้เป็นภูเขาอะไรก็ตามแล้วเราก็้าไปนั่งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็ดํารงสติไว้เฉพาะหน้าระ ล, ลึกถึงเทวดาเหล่านี้เป็นอารมณ์ว่าเทวดาในชั้นจาตุมก็มีดาวดึงก็มียามาก็มีดุสิตก็มีนิมมาตรดีก็มีปรินิมิตะ ว, ะวัตสุวตีก็มี เทวดาเหล่านั้นเกิดด้วยคุณธรรมอะไรท่านเกิดด้วยศรัทธาด้วยศีลสุตตะจาระปัญญาเพราะสั่งสมคุณธรรมเหล่านี้จึงเกิดเป็นเทวดาเรานึกถึงคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็น้อมมาสู่ตัวราอะเราก็มีศรัทธาเราก็เป็นคนมีศีลมีสุตะจาระปัญญาเหมือนกันเมื่อเรามีอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้สึกปีติปราโมทย์ขึ้นเมื่อปีติปราโมทย์เกิดเราก็จะมีความสุข มีความมั่นคงขึ้นในสมาธิอันนี้เป็นหลักปฏิบัติแบบง่ายๆที่เราจะเพิ่มพูนความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเราหลักปฏิบัติอันนี้เหมาะสาหรับผู้ที่เป็นศรัทธาจริตคือโดยปกติแล้วเป็นผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วเราก็ปฏิบัติได้อย่างนี้และผลที่จะได้ก็รู้สึกว่าจะรวดเร็วกว่าบุคคลที่เป็นจริตในด้านอื่นๆเนี่ยอนุสติที่เราได้ ศึกษามารวมหกอนุสตินี้เป็นอนุสติที่ให้ผลในด้านของการปฏิบัติเพียงแค่อุปจารสมาธิสมาธิไม่สูงหรอกแค่อุปจาระเฉียดเยดท่านั้นแล้วก็ผลที่ได้ <c oughs> จากสมาธิเหล่านี้ก็คือปีติตาโมดความสุขสมาธิที่มั่นคง แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราได้ปฏิบัติอย่างนี้เราก็ได้รับประโยชน์มากมายในชีวิตปัจจุบันเพราะว่าหลายๆท่านก็วุ่นวายกันอยู่จิตไม่สงบถ้าเราจะใช้วิธีปฏิบัติแบบง่ายๆอย่างนี้เสริมสร้างสมาธิจิตขึ้นในลักษณะดังกล่าวนี้ถ้าทำได้ก็ควรจะทำอย่างน้อยก็เป็นการทำจิตนี้ให้สงบชั่วครู่หนึ่งแม้เราจะมีความสุขชั่วครู่หนึ่งก็ เป็นเป็นสิ่งที่ควรจะสแสวงหาเพียงชั่วครู่หนึ่งเนี่ยบางทีเราก็ได้ตั้งครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะสแสวงหาความสุขอย่างนี้เพราะความสุขอย่างอื่นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเราก็ยังสแสวงหากันได้ทําไมความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิที่นานกว่านั้นท้าวอนกว่านั้นเราจะไม่สแสวงหากันเพราะเป็นความสุขที่หาได้ไม่ยากด้วยไม่ยากแก่การปฏิบัติ และการที่จะสแสวงหามาเป็นสมบัติของเราเที่บรรยายมาเกี่ยวกับเรื่องอนุสติสิบนี้ก็สำหรับอนุสติหกนี้ก็เป็นอันว่าจบเพียงหข้อนี้ อ, อ, อนุสตินอกจากนี้ไปก็จะเป็นอนุสติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ยากขึ้นตามลาดับเพราะว่าทั้งหกอย่างนี่ยปฏิบัติไม่ยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากวิธีการก็น้อย แต่ว่านอกจากนี้แล้วมีวิธีการมากอย่างอาทิตย์ต่อไปนี้จะได้นำมรณานุสติมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบต่อไปเป็นระดับต่อไปซึ่งก็จะเป็นวิธีปฏิบัติที่ยากขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การปฏิบัติตวันนี้ตมา